เจ็ดับพี่นีวักสิกขาบทที่หนึ่งสองร้อยสามสิบเจ็ดภิกษุณีบวชให้สตรีมีคันต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อบวชให้แล้วต้องอาบักกยายาบตออาบปาจิตตี